น, นะเปรียบเหมือนกับผู้ที่เอาแหเอาอวนเนี่ยนะไปลงลากในหนองเนี่ยนะปลาและเต่าทุกชนิดก็มาตกอยู่ในตาข่ายฉันใดเนีย่ยนะปัญญาของพระองค์ก็รอบรู้สิ่งเหล่านั้นเปรียบเหมือนปลาเต่าทุกชนิดโดยที่สุดรวมถึงปลาติมิติมิงคละย่อมเป็นไปาภายในมหาสมุทรคือปลาเนี่ยนะมันจะใหญ่โตยังไงก็ช่างเถอะมันไม่ใหญ่เกินทะเลหรอกไม่มีปลาตัวไหนใหญ่เกินทะเลฉันใดเนีย่ยนะ ปลาเนี่มันจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเต่ามันจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็ปลาติมิติมิงคละมันใหญ่ที่สุดยังไงกปลาจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็ปลานั้นอ่ะไม่เกินทะเลเนี่ยนะชันใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสามณภพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็ตกอยู่ภายใต้ข่ายพระยานชั้นนั้นคือมันไม่เกินปัญญาของพระพุทธเจ้าไปได้หรอกว่างั้นเปรียบเหมือนน ก, กทุกชนิดเนี่ยนะโดยที่สุดแม้กระทั่ง น, นก ครุตระกูลเวนไทน์เนี่ย น, นะนกทุกชนิดอย่างเก่งมันก็บินไปในอากาศมีนกตัวไหนที่มันใหญ่เกินอากาศบ้างมีนกตัวไหนใหญ่เกินอากาศชันใดไม่มีสิ่งใดที่ครรวัตโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในมูสัตพร้อมทั้งสมณพราหมณ์ไม่เกินขอบเขตข่ายคือปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปได้เปรียบเหมือนพระสาวกทั้งหลายเนี่ย น, นะจะเก่งที่สุดยังไงก็เท่ากับพระสารีบุตรถึงอย่างนั้น พระษารีบุตรก็อยู่ในบางเศษเสี้ยวบางส่วนของพระพุทธญาณเนี่ยนะภาษารีบุตรก็ยังไม่ได้เปรียบเทียบอะไรกับพระพุทธญาณได้เลยซึ่งห่างกัน น, นะอย่างที่เขาบอกว่าเขาซีเนรุกับเมล็ดพันุ์ผักาดเปรียบกันไม่ได้ฉันใด น, นะก็พูดได้ว่าโอ้นี่ยใหญ่จริงๆ น, นะถ้ามองธรรมดาแต่ว่าถ้าเทียบกับพระพุทธเจ้าแล้วก็เปรียบไม่ติดภาษารีบุตรเป็นร้อยเป็นพันก็เปรียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากปัญญาภาษารีบุตร จะมากขนาดไหนก็ไม่ได้เสศษเสี้ยวของปัญญาของพระพุทธเจ้านี่นะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธยานย่อมแผ่ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะนะปกคลุมทั้งหมดเลยเนี่ยนะเหมือนอากาศเนี่ยปกคลุมเหมือนกับแบบธรรมดาก็หม อ, อกเนะี่ยปกคลุมไหนะเหมือนเมฆฝนทั้งหลายปกคลุมฉันใดปัญญาของพระองค์ก็ปกคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย กว่าถ้าเปรียบแสงสว่างทั้งหลายในโลกก็เอาแสงสว่างอันนั้นมาส่องในตอนกลางวันเที่ยงวันเลยเนี่ยนะเอาแสงอะไรมาส่องให้มันสว่างบ้างเอานะเอาเาเรียกว่าแสงรถเนี่ยรถกลางคืนเนี่ยนะเวลาปอดเปิดสปอตไลท์เป็นต้นเนี่ยนะ โอ้ยทั้งสว่างทั้งจ้าแต่ถ้าไ อ, ไอแสงสว่างอันนั้นน่ะมาเปิดตอนกลางวันเนี่ยแม้ไม่มีสภาพอะไรเลยไม่มีคุณภาพอะไรเลยวีอย่างเดียวก็คือเอากระจกเนี่ยมาตั้งให้สะท้อนแสงแห่งดวงอาทิตย์เท่านั้นแหละมันจึงจะดูสว่างว่างั้นแต่แต่ถ้าธรรมดาเนี่ยมันไม่มีแสงอะไรที่มันจะพอดูสว่างในตอนเที่ยงวันแดดเปรี้ยงได้เลยนะนอกจากแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นแสงสว่างทุกชนิดมันก็รวมลงอยู่ในแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ไม่เกินไปได้ฉันใดปัญญาของเทวดาและมนุษย์ ทั้งหลายก็ไม่เกินปัญญาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไปได้เพราะฉะนั้นพวกกษัตริย์พราหมณ์คือหาบดีสมณพราหมทั้งหลายที่เป็นบัณฑิตที่เขาสมมุติยกย่องว่าเป็นคนฉลาดละเอียดมีปัญญาโต้ตอบกับผู้อื่นเหมือนกับนายขมังธนูยิงขนทรายได้อย่างแม่นยำคนที่เป็นบัณฑิตเหล่านั้นนะเหมือนกับเที่ยวทําลายทิฐิของคนอื่นด้วยปัญญาเที่ยวปรับเที่ยวข่มวาทะของคนอื่นใด้หมด พวกฉลาดฉลาดทั้งหลายเหล่านั้นก็ตบแต่งปรุงแต่งปัญหาบางคนคิดปัญหาได้ตั้งใช้เวลาสี่เดือนคิดโตตอบคิดกลับไปกลับมาวกวนอยู่ในใจเช่นพวกอวตตะปัญหาทั้งหลายเนี่ยนะปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาพระองค์ก็ตรัสบอกตรัสแก้แสดงเหตุแสดงผลเอามาอ้าง ยกให้ดูว่าเอบความคิดของท่านถ้าถามแบบนี้ต่อแบบนี้ดีอย่างนี้ถามแบบนี้ต่อแบบนี้เสียหายอย่างนี้จำเนกแยกแยะทั้งหมดมันพวกบัณฑิตเหล่านั้นก็เลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ า, านนก็เลื่อมใสเรียกว่าคนฉลาดทั้งหลายก็ในที่สุดทำท่าจะไปแข่งดีกับพระพุทธเจ้าเท่ากับไปถวายตัวเป็นสาวกเนี่ยนะตอนแรกก็ว่าแม้จะจะอ่ะ เอาพระพุทธเจ้ามาเป็นสาวกตอนในที่สุดตัวเองก็ไปขอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยภัยโรยิ่งขึ้นด้วยพระปัญญาในสถานที่เหล่านั้นพระองค์เนี่ยมีปัญญาในโดดเด่นในสถานที่ทุกผลทุกแห่งเนี่ยนะไม่มีที่ใดที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอับเฉาเป็นต้นพระองค์ยังบอกว่าต่อให้หามพระองค์ไปด้วยเตียงน้อยเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่ได้ โง่เขลาเบาวปัญญาอะไรลงเลยนีจะเจ็บป่วยขนาดไหนปัญญาของพระองค์ก็ไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเลยเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ภัยโรดรุ่งโรดด้วยอนุภาพของปัญญาเพราะนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระปัญญาจักสุเนี่ยนะมีปัญญากว้างปัญญาใหญ่ปัญญากว้างขวางปัญญาว่องไวปัญญาคมกล้าเรียกว่าแตกฉานในประเภทแห่งปัญญาสารพัดชนิดเนี่ยนะ มันไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ไม่รู้ไม่เห็นก็ด้วยอนุภาพของปัญญาเพราะจึงเปรียบปัญญาเหมือนรัตนะเนี่ยนะเหมือนแก้วสารพัดนึกแล้วก็ตัวปัญญานี่แหละที่ทําให้สําเร็จสมความปรารถนาได้เพราะถ้าพระองค์ไม่มีปัญญาดังกล่าวแล้วพระองค์จะช่วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรนี้ต่อไปพระองค์เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีจักสุแม้ด้วยพุทธจักสุคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากเนะ่ยนะ คือด้วยพระพุทธจักสุดวงตาอันนี้มีเฉพาะกับของพระพุทธเจ้าไม่สาธารณะแต่คนเหล่าอื่นเนี่ยนะมันคนเหล่าอื่นจะมีปัญญาแบบนี้ไม่ได้มีได้เฉพาะพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธจักสุมันผู้ที่จะมีปัญญาอันนี้ได้ก็ต้องสั่งสมบารมีมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับท่าเต็นปัญญาที่กะพุทธเจ้ามันพระองค์เนี่ยมีปัญญานี้จึงสามารถตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุอนนะ ถ้าอย่างภาษาริบทก็ตรวจ ด, ดูเอ้ยจะสงเคราะห์แม่ได้หรือไม่ได้ ส, ง เ, เนนสงเคราะห์เอ้ยกลุ่มโน่นหน้าสงเคราะห์หรือไม่หน้าสงเคราะห์เป็นต้นก็จะรู้เพียงเอกเทศแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะรอบรู้ทั้งหมดด้วยพระพุทธจักสุพระองค์จึงสามารถตรวจ ด, ดูหมู่สัตว์เนี่ยนะพระองค์จึงเห็นหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสเหมือนทุลีในดวงตาเนี่ยนะมันน้อยหรือมากเรียกว่าเหมือนฝุ่นละอองเข้าตาเนี่ยไอ้คนนี้มีตาปัญญาม้างไหมหรือว่าไม่พอจะมีตาปัญญา คือพระองค์เห็นเลยว่าถ้าคนมีไม่มีมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแปลว่ากิเลสในทุลีดวงตาเนี่ยน้อยถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาเลยก็แปลว่าพวกอย่างหนาเพราะงั้นน่ยยากกว่านั้ น, น, น, นหรือว่าพวกนี้มีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยอินทรีแก่กล้าหรือว่าอินทรีอ่อน ถ้ามีตกลงว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามากหรือเขาน้อยถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าคนอาการดีถ้าไม่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เรียกพวกอาการไม่ดี ล, ละเราเชนสังเกตดูนะถ้าสังเกตเปรียบเหมือนพระเนเนี่ย ถ้าพวกไหนหมดเริ่มหมดศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้วพวกนี้อาการไม่ดีอนาคตการบวชนี่ยักไม่นานละแต่วพวกขี้เกียจทั้งหลายเกียจคร้านทั้งหลายอาการก็ไม่ค่อยดีละหลงลืมปั๊มปั๊มเป๊ะเปอาการก็ไม่ค่อยดีแล้วฟุ้ ертв, hm, ฟงซ่านก็อาการไม่ดีโง่เขาคิดอะไรก็ไม่ออกเรียกว่าพวกอาการไม่ดีเ น, นี่ยนะก็สำรวจตรวจตราว่าเป็นพวกอาการดีหรืออาการไม่ดีสอนง่ายหรือสอนยากบอกง่ายหรือว่าบอกยาก พูดให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องเป็นต้นหรือว่าพูดไม่กี่คำเนี่ยเขาก็รู้แล้วบางคนเขาบอกพร้อมจะรู้อยากจะรู้อยู่แล้วรอแต่คนบอกบางพวกเนี่ยไปเที่ยวบอกให้จนตายก็ไม่อยากรู้เนี่ยนะก็เปรียบเหมือนเอาไม่รู้ว่าเขาปิดหูชั้นในเรียบร้อยแล้วนะนะเปิดแต่หูชั้นนอกฟังแต่เสียงเสียงก็พูดก็พูดอะไรก็พูดไปเนี่ยนะแต่ว่าปัญญาชั้นในหูปัญญาเนี่ยหูที่ประกอบด้วยปัญญาปิดสนิทเลยเนี่ยนะหนวกสนิทเลยอย่างนี้ก็ยากแหละก็คือสอนง่ายหรยือว่าสอนยากบอกง่ายหรือว่าบอกอยากนะนะ เพราะบางพวกเห็นมีปกติเห็นภายในโทษและปรโลกนี่อยู่คือบางพวกนี่เป็นผู้ที่มีปัญญาเห็นอกุศลธรรมทุกชนิดเห็นโทษของวัตฏะเห็นกรรมที่นําไปสู่วัฏฏะเนี่ยนะเห็นชนิดเรียกว่าเห็นระเบือนายเห็นโทษอย่างแท้จริงบางพวกไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยวัตฏะสงบเยือกเย็นเหลือเกินน่ยนะกล่าวว่าพระองค์เนี่ยมองเห็นคนทั้งหลายเปรียบเหมือนมองเห็นบัว ดูดอกบัวเนี ain, ่ยนะเปรียบเหมือนดอกบัวว่าเช่นในกอโบนกอปฐุมหรือกอบุญทริกกอบัวเขียวบัวหลวงบุญทริกบัวขาวเนี่ยนะในกอบัวเหล่านั้นก็ต้องมีดอกบัวว่าดอกบัวเขียวดอกบัวหลวงดอกบุญทริกดอกบางดอกเนี่ยนะเกิดในน้ําเจริญในน้ําไปตามน้ําบางดอกเนี่ยจมอยู่ในน้ําน้ําหล่อเลี้ยงเอาไว้บางดอกเนี่ยเกิดในน้ําตั้งอยู่ตั้งอยู่เสมอน้ําบางดอกเนี่ย บัวพ้พนน้ำก็เรียกว่าบัวใต้น้ําบัวปริ่ม น, น้ําแล้วก็บัวพ้นน้ำเนี่ยน ะ, ะพระพุทธเจ้าก็มองเห็นตรวจดูแล้วว่าะนนะด้วยปัญญาของพระองค์ว่ามีดอกบัวอยู่ในใจบ้างไหมอย่างั้นเถอะไอ้พวกไร้ดอกนี่ไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกถ้าพวกเป็นดอกบัวก็แปลว่าพวกพอจะบรรลุได้อย่างพวกบัวพ้นน้ำเนี่ยนะแค่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สาดสองเข้าไปบัวก็บานแล้วพวกที่มีปัญญาทั้งหลายเปรียบเหมือนดอกบัวเนี่ย รอฟังพระธรรมเทศนาก็บานพร้อมที่จะตรัสรู้แล้วะนะพวกบัวปริ่มน้ําก็ส่องไปอีกวันสองวันก็สามารถที่จะบานและเนีย่ยนะพวกที่บัวเอ่อบัวปริ่มน้ําหรือว่าบัวใต้น้ําก็พร้อมที่จะตรัสรู้พร้อมที่จะรู้จะเห็นไอ้ส่วนพวกแหมไร้ดอกเลยนะไม่มีวิแววเลยนะีไม่มีดอกเลยเหมือนไปเก็บดอกไม้อา้าวมันไม่มีดอกไม่แต่ดอกเดียวอยว่าดอกตูมดอกบานเลยมันไม่มีดอกอะฉันใด ก็จำแนกหมู่สัตว์ทั้งหลายว่ามีปัญญาหรือว่ามีมีปัญญาพอจะตรัสรู้ได้หรือว่าไม่พอจะตรัสรู้ได้มีวิแววหรือว่าไม่มีวิแวลเนี่ยนะ ตอนนั้นนึกถึงว่าคุณวิทูลพระพุทธเจ้ามองเห็นเราพระองค์คิดยังไงนะตอนนั้นนะมันนั้นไม่มีวี่แววเลยนะมันตอนนั้นนะเห็นแล้วยังอุ้ยอีกนานเนี่ยนะเรียนไปอีก2000กับปีไอสองพันกว่ปีดูว่าตอนนี้จะพอมีแววหรือว่าไม่มีแววเนี่ยนะฉายแววหรือว่าไร้แววก็ลองดูไปอีกนะนะก็คงดูกันอีกนานๆเนี่ยนะคงดูกันอีกหลายชาติอย่างนั้นเถะหรือว่าพอมีวี่แววก็รอได้เพะมันไม่รอจะไปไหนเ น, นี่ยก็วัฏตะวังวนอยู่อย่างนี้แหละบอาอยู่ไหนอยู่วัฏตะนี่แหละจะไปไหนเนนะ ก็เฝ้าอยู่วัตะจมอยู่ในวัฏตนนี่แหละเนยะไม่พ้นขันธาตุอายตนะไปได้หรอกพอถ้าหากว่าไม่มีปัญญามันพระองค์นี่รอบรู้หมูสัตว์เลยเนี่ยนะตรวจสํารวจตรวจตราว่ามันพอจะบรรลุได้หรือว่าพอบรรลุได้เนี่ยนะงานนี้เหนื่อยฟรีหรือว่าไม่เหนื่อยฟรีเนี่ยพระองค์ก็เห็นแล้วนะมันควรนิ่งหรือควรพูดควรพูดมากหรือควรพูดน้อยเนี่ยก็สํารวจตรวจตราเพราะพระองค์รอบรู้ว่าหมูสัตว์ผู้มีกิเลสดุธุลีในดวงตาน้อยหรือมาก อินทรีย์แก่กล้าหรืออินทรีย์อ่อนอาการดีหรืออาการไม่ดีแนะนําให้ง่ายหรือว่าแนะนํายากบางพวกที่เห็นภายในวัตตะหรือไม่เห็นภายในวัดตะเลยขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้ถึงว่าบุคคลผู้พอจะบรรลุได้ไอ้พวกที่มีปัญญาทุกิเลสในทุลีในดวงตา ม, มากไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกมีอินทรีย์อ่อนหรือขาดอินทรีย์เนี่ยนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกสอนไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงไอ้พวกเอาพอพวกจะบรรลุได้ ก็มาแบ่งพวกที่พอบรรลุได้ก็แบ่งวันนี้พวกราคะจริตนี้เป็นกลุ่มโทสะจริตนี้กลุ่มโมหจริตนี้กลุ่มวิตกจริตหรือนี้กลุ่มเป็นสัทธาจริตหรือนี้พุที่จริตหรือว่าญาณจริตเนี่ยนะอย่างเช่นในมหาสมัยเนี่ยนะมหาสมัยเนี่ยเทวดามาจากโลกธาตุเป็นอเนกเนี่ยพระองค์ก็ตรวจดูว่าพวกจะบรรลุกับพวกไม่บรรลุไอ้พวกไม่บรรลุไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะนั่นก็ว่าแค่ง่ายนี้เดียวอ่ะไม่ต้องเก็บมาพูด เรืองเสียเวลาเหมืั้นน่ะเอาพวกที่พอจะบรรลุพวกจะบรรลุนี้ก็มาแบ่งตามจริญนะว่าพวกราคาจริตโทสะจริตและโมหะจริตหรือพวกวิตกจริญศรัทธาจริญญาณจริตแล้วพวกจริญเหล่านี้เป็นพวกอุคติตันญูวิปัญจิตันญูหรือว่านัยะบุคคลเนี่ยนะธรรมเทศนามหมวดใดเหล่าใดาที่จะบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นท่านั้นพระองค์จึงบอกสอนอสุภกรรมถา อสุภะกรรมฐานเป็นต้นแก่พวกราคะจริตเนี่ยนะเพราะพวกนี้ติดพันในรูปปรองก็บอกพิษภัยทุกโทษของรูปทั้งหลายปรองก็บอกวิธีเจริญเมตตาภาวนาแก่พวกโทสะจริตแนะนำคนที่เป็นโมหจริตพวกนี้ต้องท่องให้มากเรียนให้มากถามให้มากเนี่ยนะีตกว่าต้องฟังทำ ต, ตามการตามการก็แปลว่า ตามการเนี่ยแปลว่าไม่ใช่ว่าปีหนึ่งฟังครั้งหนึ่งจัดฟังครั้งหนึ่งมันจะแปลว่าอย่างนั้นไอ้ตามการเนี่ยก็แบ่งว่าธราค่าเกิดก็ต้องฟังเรื่องอะไรโทสะเกิดก็ต้องฟังเรื่องอะไรโมหะเกิดต้องฟังเรื่องอะไรฟุงซ่านเกิดขึ้นฟังเรื่องอะไรคือนิวรณ์ตัวใดกลุ่มรวมแล้วต้องฟังเรื่องอะไรหรือว่าฟังไม่ไหวก็สนทนาต้องสนทนากับใครเรื่องอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้จะต้องอยู่ร่วมกับครูเนี่ยจะต้องได้ครูได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ เขาบอกว่าถ้าไปอยู่กับอาจารย์ใดเนี่ยนะถ้าอาจารย์บอกไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยู่กับท่านเลยเสียชื่อท่านตายหมดนะนีนะเขาบอกว่ามีวิธีการคําว่าอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะไม่ใช่ไปเป็นอาจารย์ของครูเนี่ยนะครูไม่ต้องพูดหรอกเดี๋ยวผมทํางานเรื่องของผมเองเป็นต้นเรียกว่าเสียประวัติครูไปหมดไอ้คำว่าอยู่ร่วมกับครูเนี่ยนะก็พูดที่เรียกว่าคำพีท่านบอกว่าพร้อมจะเหมือนกับว่าสละชีวิตให้กับครูแล้วแต่ครูจะบอกแล้วแต่ครูจะสอนเพราะคิดว่าอย่างไรครูก็ชักนําเราเข้าไปนํา นำเราไปสู่ประโยชน์อย่างแท้จริงเราอยู่ร่วมกับครูเพราะฉะนั้นถ้าครูเห็นว่าอาการไม่ดีก็มีการลงโทษลงนธนกรรมปรับเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ในในคำพีก็จะบอกแนะนำสั่งสอนไว้อย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยนะขณะเดียวกันพระองค์ก็บอกว่าไอ้พวกที่โมหะเจริตเนี่ยนะจะต้องท่องจำสาธยายสนทนาฟังธรรมสนทนาธรรมอยู่ร่วมกับครูชั้นดีเนี่ยนะจึงจะพ้นได้ หรือตรัสบอกอาณาปานสติแก่พวกที่วิตกจริตพวกนี้นั่งแป๊บเดียวคิดได้ตั้งหลายเรื่องเลยนะคิดด้วยฟุ้งซ่านเน่ยนะคิดแล้วคิดแล้วเดือดร้อนสร้างความเบียดเบียนแก่ตนเนี่ยวันนี้ต้องอยู่ด้วยอาณาปานสติขจัดความฟุ้งซ่านออกไปส่วนพวกที่ศรัทธาจริญมีศรัทธามากองก็บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างนี้อย่างนี้เพราะเขามีศรัทธาอยู่แล้วจะน้อมไปเพื่ อ, อรู้ความตรัสรู้ดีของ พระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็บอกความที่พระธรรมเป็นธรำดีว่าทำทั้งหลายนําออกจากทุกอย่างไรพระองค์ก็บอกความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายว่าพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติดีอย่างไรแล้วก็ปฏิบอกเรื่องศีลของตนบอกนิมิตเครื่องไม้อันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส แก่ผู้ที่เป็นศรัทธาจริตมันศรัทธาจริตดีอยู่แล้วก็เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติธรรมานุสติสังคานุสติสีลานุสติหรือว่าพระสูตรเหล่าใดพระธรรมเหล่าใดเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยนะก็ไปพิจารณาไปเจริญอย่างนั้นให้มากขึ้น